ก็พบนะฮะว่าเนเนเนี่ยเดินวนมาที่กุฏิที่จำพรรษาท่านมหาบุญช่วยเดินตามหลังมาติดตดิเห็นร่างนั้นเดินทะลุประตูกุฏิเข้าไปต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยก็เลยเล่านะค่ะว่ามองไปที่กุฏิเห็นว่ามีกุญแจคล้องอยู่ก็เลยเอกใจว่าสัมมเนนนินน่าจะตายไปแล้ว